มันเป็นภาษาพิเศแปลว่าการการส่งจิตการส่งจิตหรือการเคลื่อนย้ายจิต น, ะะนั้นจิตนี่อาจจะมายถึงจิตของเราหรือจิตของของคนป่วยก็ได้คือวิธีการวิธีการของของคนที่เบตเนี่ยเขาก็เขาเชื่อว่าเนี่ย สมมุติว่าคนป่วยคนป่วยเนี่ยเขาเขาใกล้จะตายแล้วเนี่ยนะก็ครูบาอาจารย์เขาก็จะจะน้อมนำจิตนะน้อมนำจิตเพื่อให้ให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยเขาได้ได้นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลโดยการนึกภาพ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธสัตว์ <Yeah. S 1> แล้วก็ครูบาอาจารย์เขาก็จะมีนอกจอากโน้มนำจิตแล้วก็จะอาศัยพลังจิตของเขาเนี่ยเข้าไปเข้าไปช่วยด้วย <Yeah. S 1> ซึ่งในทางที่เบนเนี่ยเขาเชื่อว่ากำลังจิตหรือกระแสจิตของ ของครูบาจารย์ที่ช่วยผู้ป่วยอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะส่งจิตของผู้ตายไปได้เพื่อให้ไปสู่สุคติมันก็มีเรื่องแปลกๆนะซึ่งบางคนซึ่งตายไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่ทันที่จะที่จะครูบาจารย์ยังไม่ทันจะส่งจิตช่วยเนี่ยก็จะก็เขาสามารถที่จะจะมาะมาช่วยได้ เพื่อให้จิตไปในทางที่เป็นสุปติแต่ว่าวิธีที่เราจะทำนี่มันก็เป็นวิธีแบบประยุกต์กันนะคือไม่จำเป็นต้องอาศัยศรัทธาความเชื่ออย่างชาวทิเบตก็ได้แต่ว่าและโดยที่ไม่จำต้องว่าต้องต้องมีกระแสจิต ท, ที่จะไปช่วยนะแต่ว่าที่จะทําวันนี้เนี่ยจะเป็นไม่ใช่ไปไม่ใช่เป็นการทําเพื่อช่วยผู้อื่นแต่สมมุติว่า เราทำกับตัวเราเอ ง, เองใช่สมมติว่าเราเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะไม่ต้องเจ็บป่วยเจียนตายก็ได้แต่ว่ามีความรู้สึกอาการที่ของเราแย่มันก็เป็นวิธีการที่ช่วยน้อมจิตของเราเนี่ยให้ไปให้ไปให้ให้ไประลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลที่เรามีความเชื่ออยู่ เพราะว่าหลักการของการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้เจ็บป่วยทั่วท่วไปคือว่าการที่จิตของเราเนี่ยถ้าเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็ช่วยช่วยเยียวยาเยียวยาอาการของเราด้วยนะเพราะอย่างที่บู๊ได้ตอนพูดตอนตอนเช้าว่าคนเราเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ได้เจ็บป่วยแค่กายอย่างเดียวนะเราเจ็บป่วยทางใจด้วยเพราะ ว่าความกลัวความเศร้าความความทุกข์อันนั้นก็ถือว่าเป็นความเจ็บปวยทางใจนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการที่จะจะช่วยให้จิตของเราเนี่ยได้รับการเยียวยาโดยการน้อมเราเลือกถึงสิ่งที่ดีงามซึ่งอาจจะมีรู ป, ประธรรมที่เราสามารถที่จะ รู้สึกผูกพันใกล้ชิดรูปธรรมนั้นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสน์เจ้าแม่กวนอิมหรือแม้กระทั่งท่านนักถือาศาสนาคริสต์ก็จะเป็นพระเจ้าในาศาสนาของตัวนี่คือรูปธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไวพิธีาการนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการทําจิตให้สงบซะก่อนเพราะนั้นเนี่ยก็ขอเชิญทุกท่านามา นั่งทำสมาธิเหนะมือนกับที่เราทำกันเช้ า, าทำความรู้สึกนะทั้งที่กายและใจให้เบาสบายผ่อนคลาย <c ười> สำรวจความรู้สึกของเรา ว่ามีความปลอดโปรง่งปล่อยวางความรู้สึกกังวลคุนคิดออกไปปลายเดือวกันกายของเราตั้งแต่ปลายศีรษะจนปลายเท้าก็ให้ผ่อนคลายใบหน้าก็ผ่อนคลาย ไม่นานี้คือขโมดมือของเราก็ผ่อนคลายเช่นเดียวกับแขนเมื่อกายและใจผ่อนคลายก็ให้น้อมจิตมาที่ลมหายใจก็เนดความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าและออก หายใจเข้าก็รู้สึกถึงสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจออกก็รู้สึกเช่นกันถึงสัมผัสที่ปลายจมูกน่าจะเป็นผัสสะที่เบาละเอียดก็สามารถจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติของเรา รู้สึกเบาๆอย่าไปบังคับจิตให้ไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นให้รู้สึกเบาๆไม่มีการบังคับแม้จิตจะเผลอนึกออกไปไกลตัวไปสู่อดีตหรืออนาคตเมื่อรู้ตัวก็คอยดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจ สัมผัสความรู้สึกที่ปลายจมูกให้เวลานี้เป็นเวลาเห็นความสงบเป็นเวลาที่เราจะอยู่กับลมหายใจด้วยความรู้สึกเบาสบายไม่มีความรู้สึก ความคิดใดๆเข้ามารบ ก, กวนไม่มีการบังคับจิตแต่ว่าให้จิตรับรู้ถึงอาการของลมหายใจที่เกิดขึ้นเข้าออกอย่างผ่อนคลาย หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกจะคิดไปไหนก็ตามรู้ตัวก็ให้ดึงกลับมา ก็ให้จินตนาการต่อไปว่าเรากำลังอยู่บนทุ่งหญ้าที่กว้างโลง่งหญ้าที่เขียวะจีรอบตัวเป็นที่โล่งกว้างเบื้องบนคือท้องฟ้านภาอากาศ ท้องฟ้าใสโปร่งโล่งอากาศบริสุทธิ์ท้องฟ้าที่แผ่กว้าง สุดสายตาตรงเส้นขอบฟ้าทองฟ้าได้แผ่กว้างไปถึงตรงนั้นทำใจทำความรู้สึกของเราให้กว้างโปร่งโล่งเช่นเดียวกับท้องฟ้า ทำกายของทำใจของเราให้ใสมันกับท้องฟ้าที่โปโร่งฟ้าใสมีเพียงเราผู้เดียวอยู่บนทุ่งหญ้าใต้ท้องฟ้าที่กว้าง ที่โปรง่งโลง่งผอนคลายไล้ขีดจำกัด ทีนี่ให้จินตนาการต่อไปว่าบนท้องฟ้าที่ใสโปร่งกว้างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเราบนท้องฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจจะได้แก่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว เจ้าแม่กนอินท่านได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราบนท้องฟ้าพระพรักของศึกศักดิ์สิทธิ์นั้นเปลี่ยนไปด้วยเมตตา มีรมักมีอยู่รายล่อพระวรกายของพระองค์เป็นรัศมีที่เย็นเป็นแสงสว่างนวล เราตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน้อมจิตของเราต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์้สัสิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ด้วยอำนาจแห่งพระกรุณาของท่านได้ไดช่วยให้ ความทุกข์ของเราได้มาลายหายไปความหม่นหมองความเจ็บปวดอุปสรรคขัดข้องใดๆทั้งปวงก็ขอให้ได้มาลายหายไป ให้กิเลสปวิชาที่เคลือบคลอกจิตใจของเราถูกประจักปัดเปลาออกไปจินตนาการต่อไปว่า บัดนี้รัศมีอันเรืองแสงที่อยู่รอบพระวรกายได้แผ่ลงมารอบกายของเรารัศมีที่สว่างนวลแผ่ลงมาที่กายของเรา ทแรกไปทุกส่วนของกายเราจนเข้าถึงใจให้สัมผัสถึงความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลทั้งที่กายและที่ใจของเรา ระสีที่ขาวนวลสว่างได้ช่วยขจัดความทุกข์ความหม่นมองความเจ็บปวดของเราทีลนิดทีลน้อยออกไป รู้สึกสัมผัสถึงความอบอุ่นถึงกรุณาการรุญธรรมจากศึกษาศึกนั้น ความทุกความข้องขัดความเจ็บปวดที่เคลือบครอบจิตใจของเราที่ครอบคุมปันทอนกายของเราให้เราเห็นเป็นภาพ่า น, นชัดเจนว่ากกลังมาลายหายไป เหมือ น, นกับความมืดที่มาลายหายไปเมื่อถูกแสงสว่างสาดส่องให้รัศมีที่ขาวนวนั้นได้สาดส่องเขาเ้าไปในทุกอนูของกายของเราขาระจัดปัดเปล่าความเจ็บปวดออกไปเช่นเดียวกับความมืดที่โดนแสงสว่างขับไล่ จนหมดสิ้นไปรู้สึกเช่นกันว่าจิตที่มน ม, นมองคล้ำก็กำลังถูกชำระด้วยรัศมีที่ขาวนวนนั้นจนจิตนั้นเริ่มสว่าง โปรง่โรงโล่งความคล้ำมองที่กายที่ใจค่อยๆมาลายหายไป กายของและใจของเราถูกอาบลดด้วยลักษณีแห่งการลุนนั้นจนกระทั่งไม่มีอนุแห่งความหมดหมองความเจ็บความปวดล้งเหลืออยู่แสงสว่างได้แผ่กระจายไปทั่วล่างทั้งตัว และทิ่ใจของเราจนกระทั่งกายและใจของเราสว่างเรืองแสงไม่มีสิ่งมองคล้ำดำมืดปรากฏลงเดืออยู่ไม่ว่าที่กายหรือใจ ร่างที่เรืองแสงโปร่งโรง่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแสงรัสมีที่ขาวนวลที่สาสองลงมาและจินตนาการต่อไปว่าร่างที่เรืองแสงสว่างนวล น, นั้น ค่อยๆเคลื่อนเลื่อนขึ้นเบาลอยเคลื่อนขยับขึ้นไปลอยไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ไฟกับว่าลำแสงค่อยๆได้ยกตัวเราขึ้นลำแสงที่มาจากพระวรกายของสัสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ยกเราขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนสัมผัสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ได้สัมผัสกับการลุยธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆอย่างไรขีดจำกัดให้ความทุกข์ ไต้มะลายหายไปความยึดติดสิ่งข้องขัดอารมณ์ที่เป็นอกุศลความโกรธความเกลียดความกลัวความกังวลความโหยหาอัยทั้งหลายทั้งพวงค่อยๆมลายหายไป เพื่อน้าแทงการิยธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น นต า, าการต่อไปว่าเมื่อความรู้สึกโปร่งโลงสว่างสวยได้เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ขอให้ใจและกายของเราเกิดความรู้สึกเป็นสุขแผ่ซ่าน ไปทั่วสารพางกายและจินนี้กายของเราตัวเราก็ค่อยเคลื่อนตามลงมาลำแสงขาวนวลที่เป็นลักมนีค่อยๆพาเราลงมาค่อยๆพาลงมา จนกลับมาสู่ทุ่งหญ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเรานั้นก็ค่อยๆ อ, อันตรธานไปลาลับไปให้เรากลับมา นั่งสงบขัดสมาธิทำจิตสงบบำเพ็ญสมาธิด้วยความรู้สึกสงบด้วอการตื่นรู้สบายผ่อนคลาย รู้สึกว่าอยู่ในทุ่งหญ้าหรือเปล่า <c oughs> จริงจริงมันวิธีการนี้เอาไว้ใช้กับผู้ป่วยคนอื่นก็ได้คือไม่ได้ใช้กับตัวเราโดยตรงก็คือว่า ซึ่งวิธีนี้อาจจะควรเป็นวิธีแรกที่เราทดลองใช้ก่อนอ ค, คือกับกับกับผู้อื่นเพราะว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันจะจะจ ะ, จะทำได้ง่ายกว่าทางกับตัวเราเพราะว่าทางับตัวเราทีมีการขัดขืออย่างที่ที่โยมว่าเนี่ยมีการขัดขือว่าจะนึกอะไรเนี่ยจะรลุดได้ไหมหรือว่าเอะจะนึกจะนึกว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเราที่เรามองเห็น วิธีนี้เนี่ยเราก็เราก็ใช้กับผู้ป่วยได้เช่นผู้ป่วยที่เขาเขากําลังนอนอยู่เนี่ยนะเราอาจจะลองจินต น, นาการขึ้นมาเป็นภาพว่าว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานักถือเนี่ยมันลอยอยู่เหนือเตียงเขานะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีไมตากรุณาแล้วก็แผ่แังสีออกมาอาบลดล่างของเขาเราอาจจะบอกเขาก่อนล่วงหน้าก็ได้ว่านี่ เพื่อเปิดใจนะรับรับรับลำแสงนี้นะหรือว่าเราจะไม่บอกเขาก็ได้นะแล้วก็เราก็นั่งข้างเตียงเขาเรากินนาการไปวิธีนี้เนี่ยเราจมาคิดว่ามันไม่ต่างจากการแผ่เมตตาให้กับเขาแต่เป็นการแผ่เมตตาซึ่งเป็นรูปธรรมคือถ้าเราแผ่เมตตาบอกสัพเพสตงังต่างนี่มันมันนามธทําอ่ะ หรือแผลหรือว่าเอามือเอามือเอามือเอามือแต่ที่ล่างเขาแล้วก็แผลเมตาบางคนรู้จะแผลเมตาอย่างไรแต่พอเรานึกเป็นภาพว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่บนเหนือศีรษะาแล้วก็แล้วก็แผลลงสีลงมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นลูก ป, ประธรรมแล้วก็อาจจะมาช่วยมีผลโดยเพราะถ้าเกิดว่ า, เ, าเราอาจจะสัมผัสที่ตัวเขาด้วยแล้วเราน้อมนําจิตของเราไปด้วยเพราะอย่างที่ ที่ว่าเนี่ยที่พูดถึงกรณีของคนที่โคม่าแล้วยังรับกระแสเมตตาติดของพยาบาลได้เนี่ยใช่ทั้งที้พยาบาลไม่ได้ทำอะไรนอกจากแค่แค่แผ่เมตตาแล้วก็สัมผัสสัมผัสตัวเท่านั้นเองแต่นี่เราไม่ได้แค่สัมผัสแต่ว่าเราจินตนาการเห็นภาพและใช้เวลานานพอสมควร5นาที10 น, นาทีก็แล้วแต่หรือจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะพูดนําให้เขาทําตามก็ได้ใช่ครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเขาจะเขาจะเขาได้ไหมเราก็เราก็ทําให้เขาจะินนากรใครมาดีอันนี้แต่มาคิดว่าลองทําดูถ้าเราทำนี่บ่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะทำกับตัวเราเองได้ง่ายขึ้นเพราะเพราะตอนที่เราเป็นเนี่ยเราไม่สบายเราป่วยเราเจ็บใช่ไหมคนธรรมดากินจนตนาการยากเพราะความป่วยความเจ็บแต่ว่าถ้าเกิดเราทํากับผู้อื่นจะทำนานเนี่ยเราทํากับตัวเราเองในยามที่เราเจ็บเราป่วยมันทําได้ง่ายกว่า ใ น, ในทางทิเบตนี้พระอาจารย์เจ้าทางทิเบตนี่เขาใช้ประวนันทำประวันช่วงที่เขากาลังพูดสิทธิ์กจะไปด้วรจริงๆนี่อันนี้เชื่อไม่เชื่อตามเนี่ยเขาเนี่ยจะส่งจิตเนี่ยอย่างที่ที่คือเขาเชื่อจิตที่จออกไปดีต้องออกไปทางทางทางกระหม่อมเ่ยพวกพระอาจารย์ที่เขาเขาชํานาญนี่เขาใช้กระแสะจิตส่งจิตไปทางนั้นเลยคือให้จิตไปออกไปทางกระหม่อมเลยนี่ก็ไปขนาดนั้นซึ่งแต่แต่ พูดขนาดนี้คนสมัยใหม่ก็คงไม่เชื่อก็เลยคิดว่าเอาก็เลยใช้คำว่าโภวประยุกต์โภวประยุกต์คือนเนี่ยคือคุณไม่ต้องเชื่อเรื่องว่าออกมาทางกระมอกหรือไม่แต่ถ้าคุณเชื่อว่าการที่คิดในทางโพสิทีตินี้มันช่วยถ้าเชื่อเรื่องนี้นะว่าการคิดหรือการจินตนาการในทางโพสิทีติ่นี่ช่วยเนี่ยวิธีนี้เนี่ยมันมันมันไปมันสอดคล้องกับแนวคิดแบบนี้คือการจินตนาการเพื่อในทางบวกซึ่งจะช่วยให้จิตใจสบายร่างกายหายป่วย ความควา ม, ความดันแรงดังลนลดลงนเนี่ยอันนี้ช่วยในแง่ตัวเองเราที่เราทำเพระว่าให้เขาหรือทําให้ตัวเองเนี่ยในแง่ความเมตตากรุณาภายในเราก็สูงขึ้นดเลยใช่คือมันมันโดยเพราะถ้าเราเข้าคนอื่นนะเป็นการฝึกเมตตาของเรานะเพราะว่าเพราะว่าช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลเป็นกุศลเพราะเราได้นึกถึงสิ่งที่ดีงา ม, มและเป็นกุศลที่เราได้ช่วยเขา นะอากเห็นความพ้นทุกข์ใเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดีกัข้างเดียวมันดีกับเราด้วยหรือถึงแม้ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําจะดีกับเขาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันดีกับเราเพราะมันทําให้เราจิตใจสบายแล้วทำให้ทำให้จิตใจสบายเป็นกุศลและจิตสบายที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีผลต่อผู้ป่วยโดยอัตโนมัติคือไอ้สิ่งที่เราจินต น, นาการเนี่ยอาจจะไม่มีผลใช่ไหม แต่ว่าเพราะอาจข้อจะไม่เจ็ตหรือข้อจะยังกระสอบกระสายแต่ว่ามันทําให้จิตใจเราดีขึ้นเรายิ้มยิ้มแจ่มใสเราผ่อนคลายและความผ่อนคลายของเราเนเมื่อเราอยู่ข้างเตียงเขาเขาจะได้รับอ น, นิสง์หรือกระแสแห่งเมตตาจิตากของเราด้วยอีกต่อหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่จากจากการทำปวาระให้เขาก็เกิดจากการที่ใจเราสบายแล้วส่งผลถึงเขาอ่าก็ไม่แง่ส่วนตัวผมนะครับผมได้อีกแงรร่หนึ่งของการทำ ว่าคือมันได้ความน่อมน้อมถองตนมากขึ้นคือตอนที่เราสำนึกว่าเรามีอริสัจมีอยู่